สำหรับคัดเศษนี้เป็นคัดเศษแนะนําครูผู้สอนเพราะว่าครูผู้สอนในระหว่างตอนตั้งแต่ก่อนที่จะออกแบบนี้เพราะว่าก่อนนี้ให้คําแนะนํานี้ก็รู้สึกว่าท่านที่ทําได้แล้วก็มาเป็นครูกันดังนั้นระเบียบปฏิบัติอาจจะไม่สม่ําเสมอกันและก็บางท่าน บางทีก็อาจจะเผลอไปเหมือนกันเพราะว่าความเป็นครูนี่มีความสำคัญมากครูจะต้องรู้จักรักษาอารมณ์ของตัวเองไว้เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานศีลภาวนาคำว่าทานการให้ศีลเป็นการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อย เรียภาวนาคือการเจริญรู้จั ก, กว่าตภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในบริการต่อไปครูจะต้องรักษากำลังใจของตนเองไว้เป็นปกติแล้วครูจะต้องมีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านมิปัสนายานคือเรียกว่าการไม่ ไม่สนใจในได้ของขันห้าคือร่างกายอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าว่าครูมีศีลสมาธิปัญญาไม่สมบูรณ์ก็จะทำให้สิทธขาดความสมบูรณ์ไปด้วยแล้วกับประการที่สองถ้าครูมีความไม่สมบูรณ์แบบในจิตครูก็อาจจะสาธสอนทุกสิทธิผิดไปซะด้วยแต่การสอนผิดนี่เป็นโทษหนัก เพราะเรื่องเองป ร, ม, ปรมัตบารมีความจริงกำลังใจของคนนี่มีความสำคัญมากถ้ายิ่งเรามีความละเอียดมากเพียงใดในด้านของธรรมะโทษก็ปรับมากเพียงนั้นยังคนที่ทำหยาบคนที่มีอาการหยาบมีความระพฤตไม่ดีก็เขาปรับโทษน้อยส่วนจุกจิกเขาจะไม่ปรับ ถ้าอยู่บรมามันก็เด็กกับผู้ใหญ่เด็กทำความผิดมีโทษน้อยกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทำความผิดมีโทษมากกว่าเด็กทั้งนี้เขาถือว่าผู้ใหญ่เป็นผู้มีความสมบูรณ์ในความเป็นคนต้องรับผิดชอบทุกอย่างตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าในสมัยมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นดาบท ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตเดินไปอยู่ในป่าเห็นแม่เห็นสระน้ำใสมีดอกบวัวสวยสะอาดสมเด็จพระบร ม, มโลกกันนาเ จ, จนในรองอาบน้ำในสระเวลาจะขึ้นมาก็าคิดว่าดอกบวัวในสระซึ่งเปในป่าเป็นของไม่มีเจ้าของ ถ้าควรจกการนำไปบูชาสมเด็จตสมมาสมพุทธเจ้าก่อนจะขึ้นจากน้ำจะได้เด็ดดอกบัวมาสองสามดอกหวังจะนำไปบูชาพระพุทธเจ้าในตอนนั้นเองก่อนจะขึ้นก็ปรากฏว่ามีเทวดาท่านหนึ่งซึ่งรักษาป่าอยู่ในบริเวณนั้นเป็นลูกศิษย์ของท้าวเวสสวรรณ แล้วก็มีอำนาจในการรักษาสระนั้นด้วยจึงได้แสดงตัวให้ปรากฏร้องบอกว่าขมโมยขมโมยหรือว่าโจรผู้รักดอกบวัวสมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานั้นทรงเป็นพระโพธิสัตว์หันไปเห็นเขา้าถามว่าใครเป็นคนขมโมยแต่ว่าดาโนั่นก็บอกว่าท่านนั่นแหละเป็นคนขมโมย ะผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตัดถามว่าก็คนอื่นเขานำไปตั้งเยอะแยะทำไมจึงไม่เป็นขโมยนี่ฉันจะนำไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งรีบราการหนึ่งสะนี้ก็ไปใส่ในป่าหาเจ้าของไม่ได้ทำไมเราจรึงเป็นขโมยแต่ว่าดาวนั้นยังบอกว่าสำนับคนอื่นเป็นคนที่มีอารมณ์หยาบ มีจิตบายจะเป็นปกติย่อมไม่ปรับเป็นโทษสำหรับท่านนี่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วการนำดอกบัวไปหนีจะถิว่ามนุษย์ไม่เป็นเจของก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้รักษาสั์และเป็นผู้รักษาป่าในเขตนี้ท่านมีกำลังใจดีใกล้จะบริสุทธิ์และมีจิตหวังจะสงเคราะห์มนุษย์ให้มีความสุข ในเมื่อถ้ามีกำลังใจสูงในด้านธรรมะเราก็ต้องถือว่าท่านปิ่งขมโมยถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ถูกปรับแต่ท่านก็ต้องถูกปรับในฐานะที่เราเป็นผู้ผู้รักษาเขตนี้เป็นอันว่ามาเจนจากันดีแล้วเทวันดาก็อนุญาตข้อนี้ทอคอยถือเป็นอุทาหรณ์ ว่าถ้าเราสอนธรรมะที่มีอารมณ์สูงสุดได้แก่สินส ม, มาธิปัญญาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนนี้เป็นการสอนด้านวิชาสามเนื่องโดยพิญญาหกได้ความจริงอพิญญาเราไม่นำมาหมดนำมาเฉพาะมโนจิธิอย่างเดียวก็จริงแล แต่ได้ว่าธรรมะส่วนนี้หนักมากแล้วก็สูงมากในพระพุทธศาสนายังสามารถทําคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้โดยง่ายเพราะว่าสามารถหาพยานได้ตามคําสอนขององค์สมเด็จตระงสมมาสัมพุทธเจ้าที่เจ้าบ้านก็บอกว่านรกไม่มีเปรตไม่มีสุรกายไม่มีเทว ด, ดาไม่มีพรมไม่มีสวัสดิพาพศูนย์ แต่ว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์มีหรือไม่มีเราสามารถจะสัต์นสอบสวนได้ด้วยการความประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนฉันั้นการสอนแบบนี้จึงเป็นการใช้กําลังใจที่สูงสุดและเป็นธรรมะที่ละเอียดครูผู้สอนยิงต้องไม่ประมาทในตนเอง ถ้ายังคิดว่าตัวดีอยู่ก็จงอย่าสอนเขาเพราะคนที่มีความรู้สึกว่าตัวดีก็คือคนเลวมีความประมาทเพราะพระเจ้าทรงสอนไว้ว่าอัปมาเดนะสัมบาเดธาจึงแปลเป็นใจความว่าท่านนั้นหลายจงยังความไม่ประมาทให้ทึงพร้อม ในขณะใดเรายังมีความระหมาดอยู่ขณะนั้นเราก็เลวในจุดหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดรู้ตัวว่าเป็นผานบุคคลนั้นพระองค์ทรงกล่าวว่าเป็นบัณฑิตคําว่าผานแปลว่าโง่บัณฑิตแปลว่าเป็นผู้รู้ดฉะนั้นว่าถ้าคนใดมีความรู้สึก ต, ตนว่าตนเองยังโ ง, โง่อยู่ คนประเภทนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูทรงตัดว่าคนนั้นเป็นคนฉลาดตัด้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนโง่จริงๆก็ไม่เลยไม่รู้ตัวว่าโง่ไม่มีปัญญาพิจารณาอารมณ์ของตนเองถ้าคนฉลาดเขาจะมองจุดตามความเป็นจริงไว้เสมอว่าสิ่งที่เรารู้นี่อะไรบ้างที่เรายังไม่รู้ เวลานี้เราเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็สแสดงว่าเรายังรู้จริงในเรื่องขันห้าไม่ได้ดันั้นการสอนอย่าสอนนอกรูนอกทางแล้วก็จงอย่าแนะนําธรรมะเกินกว่าจุดที่เราจะต้องปฏิเขาะจะต้องปฏิบัติอย่าไปอธิบายธรรมะในขณะที่เวลาที่คน นักปฏิบัติกำลังสนใจจิตเฉพาะเราจะอธิบายได้โดยเฉพาะกิจที่เราจะเพิงสอนจุดเดียวเท่านั้นถ้าไม่เข้าใจว่าจะสอนแบบไหนเอาตัวอย่างย่อยๆที่สอนกับคณะจังหวัดส ม, มุทรราการเมื่อวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยี่สิบสามเอามาอ่านเอามาฟังดู ว่าการแนะนแบบนั้นเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วก็รายการที่สองราการต่อไปก็ได้แก่จงอย่าใช้อารมณ์เร่งรัดแล้วก็จงอย่าใช้วาจาที่ไม่สมควรเพราะว่าอารมณ์เร่งรัด ก, ก็ดีวาจาที่ไม่สมควรก็ดีเป็นการไม่สมควรไม่เหมาะสมกับครูผู้สอนธรรมะ เพราะว่าธรรมะจะต้องทำใจบุคคลให้มีความชื่นชมและก็มีความเบาใจในการปฏิบัติการเร่งรับเป็นการผิดเพราะว่าการกระทาแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้เป็นเรื่องของทางใจโด <c oughs> ยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไปโยโคยายนก็ดีมโนโมิยิทิ่ก็ดีเป็นของหนัก เขาปฏิบัติกันมาเป็นสิบสิบปีไม่สามารถจะทําได้แล้วก็ตายกระ น, นับไม่ทวนแล้วถ้าเราจะมาเร่งรัดคนที่ไม่เคยปฏิบัติมานิการก่อนโดยใช้เวลาเพียงแค่สิบนาทีเสร็จเๆซึ่งเราได้ให้เขารับฟังแล้วก็ทําจิตสงับอารมณ์จิตอาจจะยังไม่เรียบตอนนี้ครูผู้สอนจะต้องเป็นคนฉลาด และก็จะต้องรู้อารมณ์จิตของลลกสิทธิ์การรู้อารมณ์จิตของโลกสิทธินั้นให้อาจิตจับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก่อนที่จะเข้าไปฝึกลูกสิทธ์อันดับแรกตัดขันห้าของตนเองซะก่อนคลายมานะความถือตัวถือตนเอาจิตจับปณิพนันเป็นอารมณ์ให้เห็นพระพุทธเจ้าทรงแจงทรงแจ่มใสชัดเจน ไปน้อมใจการท่านแล้วก็ขอมอบภาระในการสั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นภาระของพระองค์จะถืออารมณ์ของตนเองเป็นสําคัญในผิดถนัดเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่เป็นพระอรหรัราารนต์โดยกรณีสองท่านที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ใช่สัพพัญญวิสัยคําว่าสัพพัญญวิสัยนี่หมายถึงว่ารู้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่รู้ จึงแม้พระหันเองยังรู้ทุกอย่างไม่ได้ในเมื่อเรายังไม่เป็นพระหันเราจะรู้ทุกอย่างยจงไงโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งกําลังใจของสิทธินี่เรารู้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราเกาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงอาศัยบารมีของพระองค์เราต้องเกาะจริงๆเห็นจริงๆเชื่อพระองค์จริงๆมอบภาระให้เป็นหน้าที่ของพระองค์จริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่เข้าไปแนะนำสิทธิ์ขณะที่เราทำจิตสงัดโดยใช้เวลาสิบนาทีเสร็จเจตอนนี้ควรยารัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าให้เห็นว่าองค์ว่าประทับอยู่ในเสียงกล่าวของเราก็ดีเห็นว่าองค์ทรงบบราการคุมร่างกายเราทั้งหมดก็ดี ดูจิตใจเราดูพระรูประโงพระองค์งสมเด็จพระจอมไตรในอกของเราให้ใสสว่างจัดแล้วมบหน้าที่ในการสอนเป็นหน้าที่ของพระองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาเวลานั้นเราจะมีความรู้สึกจุดหนึ่งล้าบางทีเราอาจจะคิดว่าการสอนสิทธิเราต้องสอนแบบนี้แต่ลงอย่างนี้ก็ไม่ควรจะทำ เพราะว่ากิจเป็นการถือว่าเป็นเรื่องของตนเองไม่ต้องกำหนดจิตไว้อย่างใดทั้งหมดว่าจะเราจะสอนแบบไหนก่อนจะไปมอบภาระหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแล้วท่านจะสอนแบบไหนเป็นภาระของท่านอันนี้ก็ถ้าทำได้จริงจะปรากฏอย่างนี้ บางทีก่อนจะสอนเราอาจจะนึกว่าเราควรจะสอนตามแนวนี้แนวนี้แต่ว่าเวลาเริ่มสอนขั้นจริงๆหัวใจที่เรากล่าวไปมันไม่ตรงกับอารมณ์ที่เราคิดไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จงอย่าฝืนว่านั่นเป็นภาระหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอย่านั่นสิจะเข้าใจ จะมีความเข้าใจดีล้วยบริการหนึ่งเราให้เวลาลูกศิษย์ใช้เวลาน้อยมากเกินไปเป็นเวลาเพียงแค่สิบนาทีสเสร็จในการรวบรวมกำลังใจตอนนี้ท่านหลายจงเข้าใจว่าบางคนที่มาฝึกอาจจะชำนาญหรือกระเชี่ยวชาญหรือว่าคล่องมาในด้านหุ่นยนด้านอื่นมาก่อน หรือว่าการการใช้คำภาวนาย่อมไม่เหมือนกันนี่เป็นเครื่องโตเถยียงในด้านกําลังใจในเมื่อใช้คำภาวนาไม่เหมือนกันกําลังใจมันก็จะแย่งคำภาวนาเก่ากับคำภาวนาใหม่จะแย่งกั น, น, นหมายความว่าจิตดวงหนึ่งย่อมภาวนาแบบนี้ที่จุดหนึ่งของจิตมันก็คิดย่ภาวนาแบบเก่า อารมณ์ของเขาจะต้องต่อสู้กันการทรงกำลังจิตที่เป็นสมาธิก็ไม่เกิดแต่การแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าไปแนะนำสิทธิถ้าสิทธิ์ไม่สามารถจะทำจิตให้เข้าถึงจุดที่เราต้องการได้โดยการแนะนำเบื้องต้นถ้าไม่เข้าใจให้ดูคำแนะนำฟ้องคณะ เขานัจังหวัดสมุทรปราการเป็นต้นเหตุเมื่อแนะนำเรื่องสองวาระเขาไม่สามารถจะทำได้ก็จงให้กำลังใจแต่นักปฏิบัติว่าถ้ากำลังใจยังไม่สงัดสมาธิยังไม่สมควรก็คอยภาวนาไว้ก่อนแล้วสักครู่หนึ่งจะย้อนมาแนะนำใหม่ แล้วเราก็เดินไปหาคนอื่นต่อไปให้เวลาเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่การเร่งรัดนี่รู้สึกว่ามีได้รับข่าวอยู่เสมอเสมอเมื่อครูผู้สอ น, นมักจะเข้าไปเร่งรัดสิทธิ์ถ้าเร่งรัดเกิดขึ้นมันก็มีอาการกลุ่มเหมือนกับเปาที่มีกำลังน้อย ไม่สามารถจะยกของขึ้นได้เพราะกำลังไม่ถึงการเพราะกำลังกายยังไม่สมควรแต่ก็มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาบังคับเราให้ยกให้ได้เราจะทําแบบไหนนอกจากจะทําไม่ได้แล้วเกิดอาการกลุ้มถอาการกลุ้มเกิดขึ้นกำลังกายกำลังใจมันก็ตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการจเจริญพระกรรมฐาน ถ้ากำลังใจตกเพราะว่าครูเรี่ยงร้าเกินไปนี่ผลร้ายจะมีกสิทธิ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลร้ายก็มาจากครูผู้สอนอันนี้ต้องจําอย่าบีบบังคับอย่าเร่งรัดอย่า ข, ขู่ข็นต้องเอาตัวเองเป็นสําคัญเป็นเครื่องยอมรับเป็นตัวอย่างว่าเรากว่าจะทําได้ขึ้นมาเนะี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ ถ้าความเข้าใจของเรายังไม่สมบูรณ์แบบก็หมายความว่าเรายังไม่เป็นพระอรหรันต์ท่นี้ถ้าไปหาพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นก็ต้องบอกว่าเราเองก็ยังเป็นผู้ไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าพระอรหันต์เองก็สามารถให้พระกรรมฐานผิดกับมนัษคณสิทธิ์ผู้ปฏิบัติก็ได้ท้งนี้ไม่สามารถจะรู้อารมณ์ใจของเขาได้จริงๆ ตัวอย่างพระสารีบุตรซึ่งเป็นอากศสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้มีปัญญามากยังให้กรรมฐ า, านกับพระลูกชายในช่างทองพลาดจากอารมณ์เดิมของเขาฉะนั้นบรรดาครูทั้งหลายจงจำไว้และจงรักษาปฏิปฐานนี้ไว้ว่าเรายังเป็นผู้รู้ไม่จบ ผู้ที่รู้จบจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าถ้าเรายังยังไม่เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วจะมีความเข้าใจในตนเองว่าเรายังหยาบเกินไปความบกพร่องของเรายังมีมากทุกอย่างให้เป็นภาระหน้าที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในริการหนึ่งผู้มาฝึก บางทีทรงชันหนักเกินไปสำหรับทิฏยิจุรยา น, นการเข้าก้าวขึ้นเบื้องต้นเป็นอารมณ์ของทิพิจุยานเป็นขั้นนั้นการที่จะใช้จิตในขั้นทิฏฐิจุยานนี้จิตใช้กำลังเพียงแค่อุปจารสมาธิไม่ถึงชานสมาบัต แล้วก็มีบุคคส่วนมากที่เข้ามาฝึกไม่จะมาจากสนักอื่นเจริญพระกรรมฐ า, านดีแล้วจิตทรงชาสงัดลึกเกินไปต้องค่อยๆแนะนํนำาำพยายามคลายอารมณ์เสียจิตก้าวเท่าตั้งทั้งชานี่ยเป็นของดีเขาตั้งมาก่อนแล้วเป็นของดีเพราะจิตจะได้ทรงตัวได้มากและเมื่อคลายเข้ามาถึงอุปจาระสมาธิจิตจะทรงตัวได้นาน แต่ว่าในช่วงที่ต้องการรู้นี่แนะนำเขาว่าเราต้องการอารมณ์แค่อุปจาระสมาธิคืออารมณ์แบบสบายๆเท่านั้นถ้าเขายังคลายตัวไม่ได้ก็บอกว่าเขาพยายามทำตามนั้นไปก่อนเราก็เดินไปหาคนอื่นแล้วก่อนที่จะไปก็ให้ความหวังกับเขาไว้ว่าผลเรื่องการปฏิบัตินี่ท่านมีหวัง แต่ว่าที่ยังไม่ได้เพราะกันท่านยังไม่เข้าใจเท่านั้นพยายามสร้างความเข้าใจรักษากำลังใจให้สบายๆทำอารมณ์เบาๆให้เป็นสุขเราก็ไปสอนคนอื่นต่อไปแล้วก็ให้ความหวังว่าอีกสักครู่หนึ่งจะมาหาท่านแล้ก็มีจุดหนึ่งว่าการแนะนากันนี่ก็ต้องเป็นคนเรื่องทิ้งกันมาเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ คำ ว, ว่าเนื่องถึงกันก็ะหมายมความวาเคยสร้างสมบารมีร่วมกันมาในการก่อนอันนี้เป็นเรื่องหนักมากถ้าว่าเราไม่เคยสั่งสมบารมีร่วมกันมานิสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าท่านผู้นั้นไม่ดีเป็นเพียง ว, ว่าเราไม่รู้กำลังใจกันเหมือนกับคนที่ไม่เคยอยู่ด้วยกัน แต่ว่าจะรู้ได้ยังไงถ้าเป็นแม่ครัวพ่อครัวว่าคนนี้ต้องการอาหารรสประเภทใดเขาจึงจะมีความสุขต่าว่าเราจะทำอาหารน้นเป็นที่ถูกใจของเขาเราก็รู้ไม่ได้บังเอิญอาหารไปตรงกับลิ้นที่เขาพอใจรสที่เขาพอใจเขาก็กินอร่อยอิ่ม ในบังเอิญให้อาหารเขาที่เรานึกว่าดีแต่ไม่ไม่เป็นที่ถูกใจของคนบริโภคมันก็ไม่เป็นเรื่องเขาก็กินไม่ลงก็สักแต่ว่ากินลงไปเท่านั้นนี่เรื่องใหญ่ฉะนั้นการสอนจึงต้องยึด อ, องบารมีเขาองค์สมดเด็จพระจอมไตรไว้เป็นเหตุอย่าทิ้งพระพุทธเจ้าอย่ารู้อย่าสร้างความรู้ของเอตัวเองเป็นสําคัญ คือผู้สอนสิทธิเราจะไม่นิ้ใช้ได้แต่ว่าใช้กำลังใจไม่ถูกไปเร่งรัดส่เกินไปก็ดีใช้คำขู่เห็นว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำให้ได้ในเวลานั้นเวลานี้ก็ดีหรือว่าไปสอนธรรมะเน่ารีดเน่ารอยจากอารมณ์ของการปฏิบัติก็ดี ครูประเภทนี้จะทราบได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ไม่ได้อะไรเลยแต่ก็สอนไม่ตามประเพณีที่เคยได้คมแนะนำมาเท่านั้นในเรืการหนึ่งครูผู้สอนจะต้องมีอารมณ์ละเอียดเพราะอารมณ์ละเอียดนี่ไม่มอะไรคือเราปกติเราจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ถ้าเรามีแค่ศีลห้าบริสุทธิ์ ก็อย่าลืมว่าอารมณ์ของเรายืงหยุ่ในการชั้นต่ำมากถ้าเรามีสินแปดบริสุทธิ์เป็นปกติก็ชื่อว่ามีอารมณ์ขั้นกลางถ้าเป็นครวัตความรู้สึกในทางกายไม่สนใจทางกายจริงๆมีความมั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงค์ ไม่ทนงตัวว่าเป็นผู้วิเศษแต่เป็นผู้รู้ดีแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตใจบรรเทาความรักในระหว่างเพศความโลภความโกรธความหลงหรือว่าถ้าสูงขึ้นไปจนถ้าอารมณ์ใจหมดความโกรธหมดความหลังคาหมดความหังคันไม่มีความผูกพันกับเพศ เห็นเรื่องของเพศเป็นเรื่องจิตจืดเมืนกระดาษที่ไร้ค่าไม่มีความปรารถนาในเรื่องเพศถูกเขานินทาว่าร้ายใส่ความใจมีความสุขอย่างนี้ชื่อว่าเป็นครูได้พอสมควรอารมณ์คุณใจเรามีอารมณ์ใจพอสมควรยังไม่ดีเพราะนั้นว่าครึ่งหนึ่งของครู ครึ่งหนึ่งของครูชั้นดีแต่ครูชั้นดีจริงๆก็ต้องไม่หลงในรมของสมาธิคือฌานสมาบัติที่เรียกว่ารูปฌานและก็ไม่หลงในรูปฌานไม่มีการมานะทนงองตนคาว่าทานงองตนก็หมายความนี่ฉันเป็โครูนะฉันมีความรู้ใช้หลักวิชาการสอนนอกรีธินอกรอย เป็นการท่านน้องไหวฉันนี่แหละเป็นคนพิเศษนี่มันเป็นการสร้างความผิดร้อยเปอร์เซนต์เพราะการปฏิบัติกับปฏิยัติไม่เหมือนกันปฏิยัติหมายเมื่อการสอนนควาวมมิชาความรู้ทั่วทั่วไปไม่ใช่เวลาปฏิบัติต้องอิงเรื่องนันอิงเรื่องนี้เอาหลายๆลายอย่างเข้ามาสอน แต่เวลาปฏิบัติจริงๆเขารวบรับตัดอารมณ์ทั้งหมดจับจุดจุดเดียวคือระขันห้าให้ได้อย่างที่พบบระพุทธเจ้าสอนท่านมีขี้เอ็นท่านาทาอะไรหละ <c oughs> มีพระพุทธเจ้าทรงสอ น, สอนเอาคนทุกท่านก็นแล้วกันท่านจะสอนตัดจุดแค่จุดเดียวคือว่าจงอย่าสนใจในรูป อย่างในทายมาหาจิประธานทั้งหมดจะลงท้ายว่าจงขอยาสนใจกายภายในคือกายของเราอยาสนใจกายภายนอกคือกายของุคาลองให้ย่าสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดให้วางอารมณ์เสียในการสอนจริงๆเขาสอนย่อให้สั้นดูแนวการสอนแนะนะําของผู้จวบสมุด ร, ราการเป็นเหตุ ยังได้สร้างกำลังใจแก่ บ, บคุคคลผู้รับการปฏิบัติในบริการหนึ่งมักต้งปฏิบัติส่วนใหญ่บางทีไม่เคยปฏิบัติมาก่อนและก็ต้องมาแบกของหนักเมื่อเด็กอุ้มช้างเราจะไปเร่งรัดการกำลังใจนั้นไม่ได้การเร่งรัดต้งรู้ตัวว่าครูเลวนะและการอธิบายธรรมะนอกรีดหน้ารอยสร้างความรำคาญให้บรรณักแก่นักปฏิบัติ ในบรกิการหนึ่งบางทีคนที่เข้ามาปฏิบัติก็มีความชำนาญอยู่แล้วมีการคล่องในธรรมะครูผู้สอนอาจจะมีธรรมะสู้เขาไม่ได้ก็ได้ในด้านปริยัติดัง <c oughs> นั้นการอธิบายใดๆทั้งหมดไม่จำเป็นต้องมีในวันนอกรีดนอกรอยกว้างขวางไม่จำเป็นใชอารมณ์เฉพาะการตัดขันห้าทรงศีลสมาธิปัญญาเท่านั้น เทบหน้านี้ก็หมดเวลาฟังเทพหน้าต่อไป